Thank you. จะได้เข้าใจเรื่องจิตที่สงบครับเป็นอุเบกขาก็จะส่งผลไปถึงก า, กายกายก็ไม่ลำบากอย่างที่พระชาตรัสไว้กายไม่ลำบากตาไม่ลำบากแต่อีกคำหนึ่งก็คือจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานก็จะเห็นว่าอนาปนาสติพอผมเปิดให้ดูถึงขั้น16 ก็จะเห็นเลยว่าจิตหลุดพ้นจากอาสวะตอนนั้นแต่ก็คือการประธรรมอย่างต่อเนื่องนะครับใช้เวลาในการข้อไปเห็นความจริงของการเกิดดับแล้วก็เบื่อหน่ายครความยึดถือที่เรียกว่าวิราคธรรมเราก็ได้ค่อยๆกลับมาอยู่กับกายกับใจนะครับฝึกมีสติสัมปชัญญะด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิ วันนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยเคยคุ้นกับความสงบหลายคนอาจจะรู้สึกอึดอัดทั้งๆที่ความสงบน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ทำไมเราจึงอึดอัดเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกให้จิตเคยคุ้นอยู่กับความสงบธรรมชาติของจิตหรือธรรมชาติของเราทั้งหลายพวกเราเนี่ยเหมือนกับเด็กที่ออกไปขี่จักรยานเล่นนอกบ้านครูบาอาจารย์บางท่านก็ใช้เทียบกับวัวเถื่อนที่อยู่ในป่า วันนี้เราจะเอาวัวมาใช้งานเม่ได้มาจับป่ามันกลับไม่ยอมอยู่นิ่งเลยส่วนถ้าตัวอย่างของจักรยานที่ผมมักจะยกตัวอย่างไปบ่อย<ๆ>เด็กเอไปขี่จักรยานเล่นทุกวันวันนี้อยู่ๆเราจะบอกว่าให้ลูกมาอยู่นิ่งๆในบ้านเขากลับอยู่ไม่ได้นั่งได้แป๊บหนึ่งก็จะสังเกตเห็นเด็กเขาพวดออกไปแล้วก็จับจักรยานแล้วก็ขี่ออกไปเลย วิธีการทําให้เด็กอยู่ในบ้านได้คือต้องให้เขาค่อยๆเข้ามาอยู่ในบ้านก่อนจะด้วยอุบายอะไรก็ตามจะจ้างให้นั่งเฉยๆจะจ้างให้อยู่ในบ้านทํายังไงก็ได้ให้เด็กเข้ามาอยู่ในบ้านจากหนึ่งชั่วโมงเป็นสองชั่วโมงเป็นสามชั่วโมงจากหนึ่งวันเป็นหนึ่งอาทิตย์เป็นหนึ่ง เ, เดือนเป็นหนึ่งหลายๆเดือนเมื่อเด็กเข้ามาคุ้นเคยกับการอยู่ในบ้านนานขึ้นนานขึ้น จะพบว่ามีอยู่วันหนึง่งเด็กไม่ออกไปเล่นข้างนอกถามว่าทำไมวันนี้ไม่ออกไปเล่นข้างนอกเขาจะบอกว่าในบ้านสบายกว่าทำไมเมื่อก่อนไม่พูดอย่างนี้ล่ะไม่รู้วันนี้รู้เพราะว่าได้เข้ามาสัมผัสวันนี้เราเคยคุ้นกับการให้จิตกระโดดโลดเต้นสังเกต ด, ดูนะครับ ถ้าท่านอยู่ที่บ้านเหงาท่านจะเปิดทีวีเข้าอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ท่านจะทำทุกอย่างเพื่อให้จิตเคลื่อนไหวต่อไปจึงเคยคุ้นกับความเคลื่อนไหวนี้ตลอดเวลาแต่ถ้าท่านไม่สามารถทำให้มันเคลื่อนไหวได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อมาคือเหงาว้วาเวเปล่าเปลี่ยวหมอยซึมเศร้า นี่คือสิ่งที่จะเกิดทันทีเห็นไหมครับบางคนพอนั่งปั๊บเป็นหลับเลยเพราะว่าเคยคุ้นกับความเคลื่อนไหวตลอดเหมือนเด็กที่ชอบวิ่งเล่นท่านลองจับพอนั่งเฉยๆแป๊บเดียวหลับเลยเนื่องจากมันไปเสพติดฝั่งหนึ่งที่จิตไม่เคยสงบพอสงบปั๊บหลับเลยนี่ก็เป็นอาการตอบสนองอีกแบบหนึ่งของขันวันนี้จึงค่อยๆตะล่อมเข้ามาเรื่อยตะล่อม้ามาเรื่อย อดทนอดกลั้นอดทนอดกลั้นแล้วมันจะค่อยๆผ่านจุดนี้มาหลายคนที่เข้าคอร์สปฏิ บ, บัติบ่อยๆท่านอาจจะไม่รู้สึกว่าผมพูดถึงอะไรท่านเลยจุดนั้นมาแล้วคนที่มาเข้าคอร์สไปอยู่ตามวัดบ่อยๆไม่รู้เห็นรู้สึกอะไรก็เห็นเหมือนๆกันอยู่ตรงไหนก็เหมือนกัน อ, อย่างเงี้ยใช้ได้แต่คนที่มาแรกๆจะอึดอัดมาก ทนมันต้องแข็มันต้องตั้งใจมากเลพอถึงที่พักอ๋อลงไปถึงที่ห้องพักก็มันจะตายให้ได้เพราะแรงเสียดทานมันเยอะมากมันก็เลยหมดแรงแต่ถ้าคนไม่ได้เสียดทานนั่งตรงนี้กับนั่งตรงนั้นเหมือนกันก็ไม่เห็นมันจะต่างกันตรงไหนอันนี้ก็เห็นชัวแล้วครับท่านก็เริ่มถอดถอนได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงต้องค่อยๆสร้างความเคยค้นกับความสงบ ก, ก่อน ไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นถ้าผมถามท่านว่าตอนนี้รู้สึกยังไงครับรู้สึกไงครับเอาความรู้สึกจริงๆตอนนี้รู้สึกไงครับสุขทุกข์กับเฉยๆเนี่ยสามมราารคานรู้สึกไงครับตอนนี้เฉยๆถ้าผมถามคนส่วนใหญ่มักจะบอกว่าเฉยๆถ้าผมออกไปถามคนที่ นั่งอยู่ที่ออฟฟิศแล้วเขาไม่ได้ทํางานผมถามว่าตอนนี้รู้สึกยังไงครับเขาก็จะตอบว่าเฉยๆผมเดินเข้าไปในบาร์เหล้ามีคนนั่งอยู่ที่บาร์เหล้าแล้วถามว่าตอนนี้รู้สึกยังไงคนส่วนใหญ่ก็บอกว่าเฉยๆผมไปถามนักการเมืองที่กําลังนั่งเมื่อๆอยู่ในสภา ตอนที่ไม่ได้ขึ้นปร า, ายัยตอนนี้รู้สึกยังไงเขาก็บอกเฉยๆผมถามว่ามันเฉยเดียวกันไหมเนี่ยท่านว่ามันเฉยเดียวกันไหมเขากับท่านตอนนี้เฉยเดียวกันไหมไม่แล้วถ้าผมเกิดถามคนที่อยู่ในปฐมฌานว่าตอนนี้รู้สึกยังไงเขาอาจจะบอกว่าอ๋อปฐมฌานยังมีความสุขอยู่เลยไปหน่อยทุติยฌาน พอสุขดับไปเขาก็จะบอกว่าเป็นอุเบกขาก็เฉยเฉยแล้วฉานที่สี่ที่เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์มีสติเข้าไปสู่ธรรมชาติบริสุทธิ์ตรงนั้นก็เป็นอุเบกขาก็เฉยเฉยตกลงงานนี้ใครเฉยเนี่ยท่านจะเห็นไหมครับว่ามีระดับความเฉยเฉยเต็มไปหมดเลย ถ้าเข้าใจสัจธรรมตรงนี้จะรู้เลยว่าทำไมผู้เจ้าจึงเบสที่ชานที่สีเพราะทุกคนบอกว่าเฉยๆเพราะเอาตัวเองวัดมันจึงไม่มีไม้บรรทัดไหนที่จะใช้วัดมันต้องมีสกเกลสักอันหนึ่งที่วัดผมยกตัวอย่างให้ง่ายกว่านั้นหน่อยผมเคยเอากละลำมัง สีแดงกับสีเขียวสีแดงเอาน้ําร้อนใส่แต่ก็อุ่นๆอุ่นมากๆเลยสีเขียวเอาน้ําอุณหภูมิห้องคือน้ําปกติใส่ผมให้โยคยีเอามือจุ่มลงในกระมังสีเขียวไม่มีปัญหาแน่เพราะมันเป็นน้ําธรรมดาหลังจากนั้นสักห้านาทีผมให้โยคยีเอามือจุ่มในกระมังสีแดงเขาทําอย่างนี้นะครับ อุ้ยร้อนอะออไม่ร้อนมากหรอกพอได้เขจุ่มอุ้ยโอ้โหนี่ร้อนนะอาจารย์บอกเออจุ่มไปเลย จ, จุ่มแบบกลั้นๆจุ่มแล้วก็กดลงไปเลยกดลงไปทั้งมือเละโหกดลงไปเลยเขาก็ก ด, ก, ดก็ซาขึ้นมาเลยนะครับเพราะมันร้อนเหมือนกันแต่ก็ไม่ถึงกับร้อนเดือดอะไรหรอกร้อนหลังจากนั้นสิบห้านาทีผมก็พูดคุยอะไรไปเรื่อยเรื่ย ถามอะไรต่ออะไรไปเรื่อยผ่านไปลว 15-20 นาทีผมก็ถามว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไรท่านคิดว่าเขาตอบว่าอะไรครับใช่ๆอาล่ะสิหลังจากนั้นผมบอกว่าให้จุ่มกะลามังสีเขียวแต่ว่าผมเรียกทีมงานมาเอากะลมังสีเขียวไปหลังเวทีแต่ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำนะ แล้วเอาน้ำเดิมกลับมาตั้งคนที่จุ่มอยู่เขายกมือขึ้นแล้วเขาุ่มในกึ้มังสีเขียวปือ้เขายกมือออกเลยวเขายกมือขึน้น้เขายกมือออ้เลยเขาบอกนวเามันเย็น้วเขายกอาจารย์ให้คนไปเตาม้ําเย็นแล้วเขมบอกจุนแล้ฮะจุ่มปอขึเห็นแลว้วเาขนล้กซ่าเลยแล้วเขาก็กดลงไป้เขาอกอ้เย็นมากเลยน ผมบอกว่าเนี่ยน้ำเดิมที่คุณจุ่มที่แรกไม่ได้เปลี่ยนน้ำอุณหภูมิห้องน้ำธรรมดาเขางงเลยนะครับเชื่ออย่างว่าผู้เจ้าตรัสว่าคนดีทำดีง่ายทำชั่วยากคนชั่วทำชั่วง่ายทำดียากครั้งแรกที่จุ่มในน้ำธรรมดาโดนน้ำร้อนกระตุกเลย คนดีทำดีง่ายทำชั่วยากถ้าปล่อยให้จิตเคยคุ้นอยู่กับอุเบกขาความสุขความสงบจิตจะไม่ยอมแตะเรื่องร้อนร้อนของความทุกข์เลยคนดีโกโหกครั้งแรกเนี่ยไม่มีเนียนแต่ถ้าให้โกหกไปสักห้าครั้งครั้งที่หกเนียนเพราะว่าเขาเริ่มคุ้นกับการจุ่มนานขึ้นแล้ว หลังจากนั้นจะพูดจริงไม่เป็นจะเริ่มโกหกเป็นนิสัยละทีนี้เพราะมันจุ่มลงไปอยู่เรื่อยๆไม่ยอมชักออก <c oughs> ถ้าปล่อยให้เคยคุ้นอยู่ตรงนี้ผมถามว่าผมมีกระมังอีกสองใบสีแดงเอาไว้ข้างหน้าสีเขียวเอาไว้อันต่อไปอุณหภูมิน้ำเท่าเดิมวันที่กระมังสีแดงที่เขาจุ่มอยู่มันแตก ท่านคิดว่าเขาจะไปจุ่มอันไหนครับที่มันรู้สึกสบายๆพอดีพอดีเขาต้องจุบสีแดงเหมือนเดิมเพราะอุณหภูมิมันไม่เปลี่ยนแปลงมากไม่ต้องจุกแล้ว ม, มันเย็นเกินไปไม่มันจุ่มแบบโอเคโอเคหมุนกลับมาดูมันเขียนว่านรกคนที่ปล่อยให้ตัวเองจุ่มอยู่กับเรื่องอย่างเนี้ยนานวันเข้าเรื่อยๆ มันจะเห็นสิ่งนั้นเป็นธรรมดาเมื่อเข้ามาอยู่ในความสงบที่เป็นอุเบกขาจะทนไม่ได้จะอึดอัดดิ้นรนทนไม่ได้เลยการนั่งเฉยๆเป็นเรื่องง่ายที่สุดของคนแต่กลับทำไม่ได้ในกลุ่มคนที่ไม่เคยฝึกเพราะเขาปล่อยให้จิตเนี่ยชุ่มอยู่ด้วยกามชุ่มอยู่ด้วยความร้อนผมถึงบอกว่า วันนี้จงมาทำความเคยคุ้นกับความสงบในบทสวดบทพิเศษท่านจะเห็นเลยว่ า, าผมจำเนื้อหาตรงๆไม่ได้เดี๋ยวคืนนี้จะให้สวดประโยคสุดท้ายที่ท่านบอกว่าความสงบเย็นเป็นที่ที่สัตว์ยินดีได้โดยยากเนยเพราะฉะนั้นวันนี้ทำไมเมื่อเกิดความเงียบที่ทางโลกเรียกว่าเด a d Air เนี่ย คนถึงกดดันมากคนไม่คุ้นกับความสงบทำไมเข้าไปอยู่ในที่มืดเข้าไปอยู่ในถ้าถึงได้กลัวเพราะเขาไม่คุ้นไฟดับต้องกังวลกระวายจุดไฟเปิดไฟจุดเทียน ท, ท, ทั้งๆที่ตอนนั้นอาจจะไม่ได้มีความจำเป็นต้องใช้ไฟแต่มันทนจิตใจที่เร่าร้อนไม่ไหวมันบีบคั้นจนกระทั่งต้องไปหาจุดขึ้นมาให้ได้ แต่คนที่คุ้นเคยอยู่ในถ้าอยู่ในความสงบอยู่ในป่ามาอยู่เนื่องๆดับก็ดับมันก็ดับอยู่แล้วทุกวั น, นก็ดับจะใช้อะไรก็ค่อยจุดก็ได้ก็ไม่เห็นต้องรีบร้อนอะไรใช้ก็ไม่เร่าร้อนอะไรเพียงก็ค่อยฝึกนะครับก็ ค, ค่อยฝึกดึงมาทําไมพระเจ้าถึงได้ตรัสว่านั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างพวกเธอจองเพียนเผากิเลสอย่าได้ประมาท อย่าต้องเป็นผู้ร้อนใจในภายหลังเลยมันมีโอกาสแล้วนะครับเรามานั่งสมาธิเดินจงกรมอาจจะรู้สึกอึดอัดขึ้นมาบ้างแน่นอนให้รู้เลยว่าเราเคยคุ้นอยู่กับน้ำอุ่นน้ำร้อนน้ำน้ำที่อุ่นๆวันนี้พอมาแช่ในน้าเย็นเราจึงไม่ไม่คุน้นแต่อีกสักวันสองวันสามวันท่านจะค่อยๆปรับ แล้วท่านจะคุณพอถึงวันที่ห้าก็พอดีพอดีวันที่หกกลับบ้านไปก็ไปแช่ในน้ำอุ่นใหม่เริ่มไปคุ้นกับนั่นแท้ฝึกไปเถอะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยววันหนึ่งจะเหมือนใบบัวนะครับโครนตรมจะเกาะไม่ได้อีกถึงแม้จะต้องกลับไปอยู่ในโครนตรมจะต้องไปอยู่ในน้ำที่ไม่สะอาดนัก แต่โคลนหรือว่าน้ำจะกลิ้งไปกลิ้งมาแต่ตอนนี้ท่านเป็นกระดาษสาเป็นทิศ ช, ชู่ท่านจึงซึมซับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เป็นทุกข์กับมันวันไหนก็ตามฝึกไปจนกระทั่งมรรคมองแปดทำงานเกิดรู้แจ้งอริยสัจขึ้นมาบ้างนะก็จะเริ่มเป็นใบบัวน้ำจะกลิ้งไปกลิ้งมาแต่ซึมลงไปในใบบัวไม่ได้ครับก็จะได้เห็นประโยชน์ ผมถึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยได้ประโยชน์ทุกขั้นตอนนั่งสงบอ้าวดีสินั่งสง บ, อสงสงบโออาจารย์นั่งไม่สงบเลยก็ดีสินั่งไม่สงบอ้าวทาไมดีอะ่ะโอ้ยอดทนได้นั่งได้ตั้งครึ่งชั่วโมงเออืวฉันไม่ไหวได้นั่งสะประกอบอ้าวสะประกบก็ดีเดียวทาไมดีอีกอ่ะนั่งสะประกอบอ้าก็ไม่นอนไงเออจริงเนาะดีทั้งนั้นแหละมาเถอะดีทั้งนั้นะมีแต่ได้ไม่มีเสีย ทีนี้พอเราเข้ามาปฏิบัติเอาผมก็แล้วกันผมสงสัยมากนะใครๆก็บอกให้มาฝึกสติผมก็ว่าสติผมมีปัญหาอะไรมนาะทำไมเขาถึงพามาฝึกสติเรามาดูด้วยกัน เรื่องของเจอรี่พอเราอ่านจบเราก็จะเห็นว่าเจอรี่เนี่ยใช้ได้นะมีสติดูแลสถานการณ์ต่างๆได้พอสมควรอีกจุดหนึ่งเราที่เราเห็นชัดเจนก็คือเจอรรี่เป็นคนที่มีเพื่อนร่วมงานหรือว่าลูกน้องเนี่ยรักใคร ด้วยความที่เจอร์รี่มองโลกในเชิงบวกคือ positive thinking สองจุดเนี้เป็นเห็นเรื่องที่เราเห็นชัดๆในเรื่องของเจอร์รี่ถ้าผมต้องให้คะแนนเจอร์รี่เจอร์รี่ถ้าเอามารวมอยู่กับผู้คนห0พันล้านคนผมว่าเจอร์รี่อยู่ในระดับต้นๆของคนห0 0ันล้านคน ถ้าให้คะแนนเรื่องสติที่เรากำลังจะพูดถึงกันต่อไปเจอร์รี่ได้แค่ 3-0 ตกแล้วตกเยอะด้วยไม่ใช่ตกธรรมดาถ้าลองเจอรี่ตกผมว่าคน6พ0 0ล้านคนน่าจะตกเหมือนๆือนทำไมผมถึงกดคะแนนขนาดนั้นผมไม่ได้กดคะแนนหรอกผมพูดตามความจริง หากเราเอาสติที่เรากำลังจะพูดถึงว่าที่เราฝึกเพื่อคนไทายการพ้นทุกข์ไล่ตั้งแต่จุดแรกเลยมีโจรรอยอยู่บ้านเจอรี่เข้าไปในบ้านโจนเอาปืนขู่เข้ไปใ่บ้านร้านโจนเอาปืนขู่เจอรี่มือไม้สัน่นโจนบอกให้ไขทูเซฟเจอรี่มือไม้สัน่นไขทูเซฟแล้วก็กุญแจหล่นมือหลุดจากมือโจนก็เลยยิงใสนะ่เพราะโจนตกใจเจอรี่ฟุบ เลือดไหลนองเจอร์รี่กลัวจนมือสัน่นขณะที่กลัวจิตบีบคั้นเป็นทุกข์มากใครที่อยู่ในสถานการณ์นั้นต้องเป็นทุกข์มากแน่ๆและยิ่งโดนกระสุนทะลุข้างหลังออกหน้าเนี่ยแล้วฟุบลงไปคงจะทุกข์แล้วก็กังวลเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะความกลัวตายความบีบคั้นหรือความทุกข์ตอนนั้นจะพุ่งขึ้นมหาศาลเลยมีคนมาช่วยเจอร์รี่ไปส่งโรงพยาบาล คนที่เขาถามก็ถามเจอร์รี่ว่ากลัวไหมตอนนั้นเจอร์รี่เลี่ยงที่จะตอบคำถามนี้แต่กลับไปบอกว่าเวนเปรยอดเยี่ยมมากเลยเขาพยายามปลอบใจฉันตลอดคนที่ต้องการการปลอบใจคือคนที่หมดกำลังใจไม่มีกำลังใจคนที่กำลังใจดีๆจะมีคนไปปลอบไหมไม่มีคุณเคยไปปลอบใจคนที่เขาไม่ได้มีปัญหาไหม ไม่เคยถ้าคุณปลอบใจใครแปลว่าคนคนนั้นมีปัญหาคนที่ต้องการการปลอบใจคือคนที่ขาดกำลังใจหลังจากนั้นเชอร์รี่ถูกเข็นเข้าไปในห้องผ่าตัดมองสีหน้าหมอพยาบาลเดาออกเลยว่าฉันไม่รอดแน่เพราะว่าสีหน้าคือหนักเกินไปแล้ว พยาบาลเกิดถามว่าคุณแพ้อะไรจึงตอบว่าแพ้กระสุนช่วยผ่าตัดผมด้วยผมยังไม่อยากตายทุกข์มากตั้งแต่ผมพูดมาจนถึงตอนนี้ผมยังไม่เห็นตอนไหนที่เจอรี่ไม่ทุกข์เลยนี่คือสาเหตุที่ผมจําเป็นต้องให้เจอรี่สอบตกถ้าจะมองกันเรื่องความพ้นทุกข์หลายท่านนั่งฟังเจอรี่แล้วฟังที่ผมพูดในใจอาจจะรู้สึกว่าเออ ก็คนทั่วไปก็เป็นกันงี้ไม่ใช่เหรอมันก็ตกกันหมดสิใช่ตกกันหมดแล้วถ้าท่านไม่สอบตกแล้วท่านจะมาติวทําไมอะ่ะ <c oughs> ก็นี่ทัานเข้ามาทั้งติวทําไมอะ่ะเพราะท่านกําลังอยากจะมาศึกษาดูว่าแล้วหนทางการพ้นทุกข์อยู่ไหนละ่ะ สติที่เรากำลังพูดถึงสติของเจอรี่เนี่ยเป็นแค่พื้นฐานที่มีอยู่ในมนุษย์ทั่วๆไปไม่ต้องฝึกก็มีมีอยู่ประมาณ 7% อร์ของชีวิตแต่ไม่พอต่อกอนกับอวิชชาแล้วไม่มีพอที่จะเห็นความเคลื่อนไหวใดๆที่เกิดขึ้นข้างใน ตรงนี้เราจะค่อยๆเดินหน้าไปทีละขั้นทีละขั้นแต่จะยังไม่ใช่วันนี้เราจะปูสัมมาทิฏฐิจากเรื่องอื่นๆก่อนนะครับเรื่องของความเข้าใจนามธรรมา ท, ที่เรียกว่าตาไหนเราจะค่อยๆไปดูกันหลังจากวันนี้ไปวันนี้ให้เรามาเข้าใจอะไรที่เป็นพื้นๆก่อนนะครับเป็นเรื่องตรงไปตรงมา ที่เห็นกันด้วยตาสังเกตกันได้ก่อนเรามารู้จักสติก่อนว่าไม่ใช่อย่างที่เรารู้จัก ไรกีฬาคือการว่ายน้ํา4กิโเมตรปกติเราว่ายน้ำเนี่ยสระว่ายน้ำหนึ่งก็แค่25เมตรนะครับ1กิโเมตรก็เท่ากับต้องว่ายน้ำเนี่ยทั้งหมด40รอบว่ายไปกลับ40รอบได้1กิโเมตรถ้า4กิโเมตรคุณต้องว่ายไปกลับในสระว่ายน้ําที่คุณเคยไปไว่ายเนี่ยถึง160รอบซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย2ร อ, อบก็แหกแล้วจะเป็นตะคิวอยู่กลางน้ําอยู่ แล้วหลังจากนั้นต้องขี่จักยานต่ออีก180กิโลแล้ววิ่งต่ออีก42กิโลทั้งหมดทําต่อเนื่องอย่างเงี้เขาเรียกว่าไตรกีฬาเสนทางที่เธอเดินอยู่นั้นฉันรู้ว่ามันไม่ได้ไง่ายไม่รู้ต้องลมต้องเหนื่อยลาต้องพบปัญหาอีกเท่าไรจนกว่าจะเจอจุดหมาย จะไกลแสนไกลและไม่รู้เมื่อไรถึงจะสุดทาวันที่เริ่มต้นจนวันนี้ทุ่มเทชีวิตมาเท่าไรต้องเสียใจและต้องผิดหวังมีสักกี่ครั้งที่เริ่มใหม่กว่าจะเจอจุดใหม่ ไว้น้ำ4กิโลเมตรคนอื่นเข้าไหว้คนเดียวแต่คนที่ไม่ใช่ต้องเอารูปพิการติดไปด้วยเพราะรูปอย่างแข็งนอยากจะขอส่งเพลงมีแทนพลัง4กิโลเมตรว่ายากลับหลังขอให้เดินต่อไป จากนั้นขี่จักรยานอีก180กิโลเมตรกรุงเทพฯระยองหรือกรุงเทพฯประจวบเลยรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับไม่ใช่หนังนะครับแล้วถ่ายจากสถานที่จริงในวันแข่ง ว่าจะเจอจุดหมายที่อาจดูไกลแสนไกลและไม่รู้เมื่อไรถึงจะสุดทางจึงอยากจะขอส่งเพลงนี้แทนพลังว่าอยาก ขี่จักรยานที่มีตะก้าแล้วไปซื้อของปักซอ ย, อยกกสองกิโลก็บน่นนะแต่นี่ของในตะก้าหนักมากเลยเราวิ่งต่ออีกสี่สิโลองกิโล มีความสุขมากนะครับเหมือนกับได้วิ่งได้ขี่จักรยานเองอาศัยกายของพ่อตอนแรกที่ดูก็นึกว่าผู้ชายคนนี้คงเป็นนักกีฬาโอลิมปิกแต่พอเห็นบทสัมภาษณ์ถึงรู้ว่าเขาไม่ใช่นักกีฬาเขาตอบเลยว่าเขาแค่ ผู้ชายคนหนึ่งที่วิ่งจ็อกกิ้งอยู่ในบ้านเพื่อรักษาหุ่นเล็กๆน้อยๆอยเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงวิ่งอยู่ในหมู่บ้านก็อาทิตย์หนึ่งก็สักสองสามครั้งถึงได้เห็นว่าทั้งหมดที่เขาทำเนี่ยทำมาจากพลังข้างในทั้งหมดเลยเพื่อคนที่เขารักอย่างเดียวเดินจมกมนั่งสมาธิคงไม่เหนื่อยเท่าไหร่มั้งผมว่านะนี่อายุเจ็ดสิบนะครับผู้ชายคนนี้ เป็น father of the year ผู้ชายคนนี้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมผู้ชายคนนี้ก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรม Nice to see you. My name is Nick v o y e t i c h and it's a pleasure to be with you. So I have no limbs, but I have my little chicken drumstick. And uh... so it's like, uh, you know, like that? That would be really cool if I could get this and get some techno going. Like, here we go. One, two, three, four. But honestly, along the way, you might fall down like this. Ready? <laughs> <laughs> <laughs> Hello! Okay. So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But i t e l l you, there are some times in life where you fall down. And you feel like you don't have the strength to get back up. Do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again, and again, and again. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? And you will find that strength to get back up like this. ก่อนเราต้องไปให้กำลังใจคนพิการนะครับแต่ตอนนี้คนพิการออกมาให้กำลังใจคนดีภาพที่เราเห็นผมถามว่านิกไม่เคยปฏิบัติธรรมถ้าพวกเราในที่นี้พรุ่งนี้เช้า ไม่มีแขนไม่มีขาไม่ว่าจะด้วยการที่ท่านเป็นมะเร็งหรือเกิดอะไรกระทันหันแล้วต้องถูกตัดผมถามว่าท่านจะยังออกมาให้กำลังใจผู้คนเหมือนนิกไหมหรือท่านจะเป็นคนที่หมดกำลังใจแล้วรอให้ทุกคนไปให้กำลังใจแทนจำไว้อย่างหนึ่งนะครับนิกไม่ได้ปฏิบัติธรรม นี่แค่พื้นฐานของคนยังไม่ต้องปฏิบัติธรรมให้รู้จักขนทางการพ้นทุกข์เลยมาตรฐานของเราต่ำกว่านี้หรือเปล่าถ้าพรุ่งนี้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างนี้ยังจะออกไปให้กำลังใจคนอยู่ไหมยังจะทุกข์ไหมทำไมเขาไม่ทุกข์วันนี้เรามีแขนมีขาเราบ่นถึงแต่ความทุกข์ว่าเรานี่เกิดมาซวยจริงๆ ทำไมชีวิตเราถึงเป็นอย่างนี้ทำไมถึงแย่อย่างนี้คนนี้ไม่บดล้มร้อยครั้งลุกร้อยครั้งไม่ค่ําครวญแถมวันนี้ยังเอาพลังออกมาแจกจ่ายช่วยเหลือผู้คนนี่มาตรฐานของคนนะครับยังไม่ถึงขั้นหลุดพ้นเลยทุกอยู่ที่ไหนกันแน่ทุกอยู่ที่แขนขาเหรอ ทำไม่สัจธรรมอย่างนี้เขาเข้าใจได้สัจธรรมอย่างนี้นักปฏิบัติทำไมเข้าใจไม่ได้วันนี้เราถึงต้องเอาจริงเอาจังกันหน่อยพวกเราเป็นอะไรกันไปหมดทำไมจิตใจถึงได้อนะ่อนแอนักเรากำลังอยู่ในระดับของเจอร์รี่แต่อย่างนี้นี่มาตรฐานสูงขึ้นแล้วแต่ก็ยังไม่ได้แตะเรื่องมรรคมีองค์แปเลย แสดงว่าคนธรรมดาแค่นี้ก็เข้าใจได้พ่อคนเมื่อกี้ก็เข้าใจได้เขาไม่ทุกข์กับมันความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่แขนขาแต่ความทุกข์อยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นวันนี้เรากำลังจะกลับเข้ามาดูความจริงกันแค่กายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ย นิกเองก็ยังไม่รู้จักเลยไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาแต่เขาก็หาทางเยียวยาให้จิตใจของเขาพอจะรับกับสิ่งนี้ได้โดยที่ไม่ทุกข์กับมันแต่เขาก็ยังทุกข์กับเรื่องอื่นแต่ถ้าใครเข้าใจตรงนี้จริงๆเกิดกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นกันไปจริงๆว่ากายนี้ ไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาอันนั้นะค้นกันแบบแท้ๆเลยรเราจะไม่ค่อยๆไปกันก่อนวันนี้วันแรกนะครับเพียงแต่ตั้งคำถามทิ้งไว้ก่อน เมื่อกี้เราดูเรื่องกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีเรื่องของปฏิกูลมนสิการคือน้อมใจไปให้เห็นความเป็นปฏิกูลของร่างกายแล้วก็ทาความเป็นธาต หนังออกเหมือนกันหมดเลยทั้งมนุษย์ทั้งเดระชฉานมีแค่กล้ามเนื้อเป็นมัดมัดร้อยรัดด้วยเส้นเอ็นมีแต่สิ่งโสกปรกไหลออกก้าวรูวันนี้ผมอุปมาจะทำหลายทีแล้วแต่มันไม่เกื้อกูลในศูนย์ปฏิบัติ ผมอยากจะเอาถุงพลาสติกใสๆมาห้อยไว้ตรงนี้แล้วให้เอาเศษอาหารที่พวกท่านทานเหลือทั้งหมดที่ท่านไปขคาะใส่มาตักใส่ถุงท่านจะเห็นภาพที่ท่านขยะขยงมากนั่นคือสิ่งที่อยู่ข้างในของท่านจริงๆผมจะตักใส่ถุงเนี่ยขยะทั้งหมดเนี่ยที่ท่านทิ้งอ่ะที่ท่านไม่กินความจริงอ่ะท่านกินไปส่วนแล้วน่นแค่ที่เหลือ ไอ้ของส่วนใหญ่มันเข้าไปในตัวท่านแล้วขยะทั้งหลายที่มันเข้าไปอยู่เนี่ยหลังจากนั้นท่านหลงกับหนังที่มันปิดขยะเอาไว้เฉยๆหลายคนก็เริ่มไปเขียนดอกไม้คือการทำแท็บทูเขียนถุงขยะให้มันมีลายดอกไม้หน่อย อาศัยส บ, บายแล้วก็ไปหลงถุงขยะขี่ขูนั้นแต่มองไม่เห็นขยะข้างในมนุษย์ทากันอยู่อย่างนี้แล้วก็ไปหลงว่าไอ้ทั้งถุงทั้งขยะเนี่ยมันเป็นของเรามันเป็นเรากอดขยะไว้แน่นเลยหลงเข้าไปได้เลย หลวงพ่อเยี่ยนเคยทักทีหนึ่งทำไมไม่เอาขยะเนี่ยไปแลกของดีนี่มันนักธุรกิจกันแบบไหนถ้านักธุรกิจต้องรู้จักลงทุนเลยรู้จักลงทุนนักธุรกิจเขารู้จักลงทุนเอาเงินร้อยไปต่อเงินพันไอ้นี่ขยะล้วนๆเลยเอาไปแลกมรควิพญานทําไมมันถึงไม่ทํากันเนี่ย พระพุทธเจ้ายอมถึงขนาดเอาขยะมาแลกท่านก็ให้มันยังนั่งกอดขยะเอาไว้ไม่แลกมักผลกอดขยะดีกว่าเดี๋ยวคนหน้าช่วยอ่านนะครับตัวเล็ก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 มีช่องก้าช่องให้ของสปกปรกไหลออกเป็นนิดพิสุขอย่างเราย่อมไม่เหลียวแล ร, ร่างกายของเธอเหมือนชายหนุ่มผู้รักความสะอาดย่อมหลบหลบีกปัสสาวะอุจจาระเสียห่างไกลคล้ายชายหนุ่มผู้รักความสะอาดเห็นหลุมอุจจาระที่ฝนตกใส่ย่อมหลบหลีกเสียอากาศคือความว่างเปล่าใครก็ตามที่หวังจะเอาขมิ้น หรือน้ำยอมอย่างอื่นไปย้อมอากาศย้อมเหนื่อยเปล่าจิตของเราว่างเปล่าเหมือนกับอากาศมั่นคงอยู่ภายในฉะนั้นเธออย่ามาหวังความรักจากจิตที่ว่างเปล่านี้เลยเพราะจะพบกับความปวดร้าวเช่นเดียวกับมแมลงบินเข้ากองไฟนี่คือคำของพระโมคคัลลานะตอนที่ถูก สาวงามเมืองที่มาหลงรักท่านเล่าโลมสิ่งที่ท่านตรัสอสิ่งที่ท่านพูดทั้งหมดไม่ได้ต่างกับภาพที่เราเห็นเลยถูกไหมครับกระดูกไอกระท่อมคือร่างกายมีกระดูกเป็นโครงสร้างฉาบทาด้วยเนื้อร้อยรัดด้วยเส้นเอ็นเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นน่าเกลียดคนทั่วไปพาพ า, พากันยึดถือ ไอสิ่งเน่าเหม็นเนี่ยนะครับมีหนังห่อหุ้มปกปิดไว้เหมือนนางปีศาจมีผืนขึ้นที่หน้าอกมีช่องก้าวช่องให้ของสกรปกรกไหลออกอย่างเดียวไม่มีอะไรนอกจากของสกรปกรกไหลออกเพราะข้างในมันเน่าเต็มทีถ้ามันไม่ไหลออกมันต้องระเบิดเหมือนเวลาเราเห็นไปดูอสุภาะครับศพเอาหมาตายข้างถนนดีกว่าเห็นชัดย โป่งขึ้นโป่งขึ้นมันจะระเบิดไหลไหลออกไม่ทันระเบิดถ้าของเราเนี่ยไหลออกไม่ทันวันหนึ่งมันจะโป่งขึ้นโป่งขึ้นมันจะระเบิดอุจจาระปัสสาวะต้องไหลออกกันไม่หยุดนะครับน้ำที่ไหลเข้าไปไหลเข้าไปธาตน้ำออกตอนน้ำดื่มเข้าไปก็สิงใสสกตใสสะอาดปิ้งปิงปิ้งออกมานี่ไม่ยอมมีใครแตะกเลยแตะล้างไม่ทันเลยทาไมเป็นอะไร ผมถึงทักเรื่อยๆว่าขอโทษนะครขี้เนี่ยไม่ได้มาเหม็นในส้วมนะที่ท่านนั่งแล้วเหม็นจริงๆเนี่ยขี้ไม่ได้มาเหม็นในส้วมมันเหม็นตั้งในตัวท่านตอนออกมาหูเหม็นยิบเป่งไม่ได้เพิ่งเหม็นมันเหม็นมาอยู่ข้างในมันเพิ่งออกมาเหม็นแต่จริงๆมันเหม็นมาก่อนแล้วหนักกว่านั้นพอเดินออกมาจากส้วมมีเพื่อนเดินเข้าไปแล้วก็บอกโอ้โหใครว่าขี้เหม็นยิบเป่งแถมโกรธอีก เพราะว่านี่ขี้กูปล่อยไปแล้วยังว่าขี้กูอีกนะมันไม่ได้แค่ยึดแค่ร่างกายนะขี้สกรปรกสกรปรกทิ้งออกไปแล้วนะยังว่าขี้กูแล้วก็โกรธคนที่ว่าด้วยนะนี่นี่ใสยไม่ดีว่าขี้ขึ้นเหม็นอ๋อแล้วเขาพูดผิดตรงไหนไม่รู้แล้วอย่างขี้ยังไม่ทิ้งอีกเหรอนะี่ยยังก็กลับไปอีกเอ อ, อดูไว้อีกที เวลาเดินจงกรมเผื่อจะเห็นมันกริ้งกรังกริงกรังจะได้เกิดสลดสังเวชบ้างครูบาอาจารย์เมื่อก่อนท่านก็จะให้ไปอยู่ตามป่าชาวันนี้ป่าชาเขาก็ปิดกันจนหมดต้องดูจอละดูสิเท่าว่าต่างจากพระโมคคานะพูดเลย ถลกหนังออกนี่เท่ากันหมด เ, เพราะฉะนั้นแปลว่าเราหลงถุงขยะเท่นั้นเองครีมสารพัดยี่ห้อคาแลงเลอแมอนะไรเนี่ยลาแมนะ่ทาถุงขยะเท้งนั้นทาเข้าไป